บทที่เเรื่องสุขทุกบท น, นี้ท่านได้ผ่านเรื่องของโลกมาแล้วสมเรื่องรวม6หัวข้อผมคิดเอาเองว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจของท่านขนาดนี้คงจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าตอนเริ่มเรื่องบ้างแล้วและก็มั่นใจด้วยว่าความรู้สึกที่ท่านได้ใหม่นั้นเป็นความรู้สึกที่มีคุณประโยชน์แก่ชีวิตอันเป็นที่รักของท่าน เหมือนได้ฉีดวัคซีนเข้าไปในตัวทำให้มีกำลังต้านทาน โ, โรคแม้ขณะนี้ยังเป็นเพียงความรู้สึกค่อนข้างอ่อนแต่ต่อไปก็จะทวีกำลังต่อต้านมากขึ้นเองในบทนี้ผมจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องใดๆที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่และค่อนข้างยุ่งมากเท่าๆกับสามเรื่องข้างต้นรวมกันทีเดียว แต่ผมจะพยายามอย่างสุดสามารถที่จะนำท่านเดินทางที่สะดวกที่สุดแต่ถ้าเป็นภัยสุที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็จะแหวกทางเดินให้ท่านเท่าที่กำลังความสามารถจำน่วยโปรดตามผมมาตอนว่าโดยสรุปโลกธรรมมีสองเท่านั้นเรื่องสุขกับเรื่องทุกนี้ มันเป็นยอดสุขของโล ก, กธรรมทั้งหมดขอให้คิดดูว่าคนที่อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรเสริญถ้าจะว่ากันตรงๆแล้วก็คืออยากได้สุขตัวเดียวเท่านั้นและคนที่ไม่อยากให้ลาบเสื่อมไม่อยากให้ยศเสื่อมไม่อยากให้ใครนินทาที่แท้ก็คือไม่อยากทุกอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นผมจึงได้ว่าสุขกับทุก เป็นยอดสุก ข, ของโลกธรรมถ้าจะโยงเส้นกันดูง่ายก็น่าจะเป็นรูปอย่างนี้รูปอยู่ใต้คลิปพูดย้อนอีกทีสุกก็คือผลของการได้ลาบได้ยดและได้สรรเสริญนั่นเองส่วนทุ ก, ก็เป็นผลมาจากการเสรื่อมลาบเสื่อมยดและถูกนินทานั่นเองโปรตรองดูช้าๆนี่ชักจะเริ่มบุกปาทึบอีกแล้ว ไม่อยากจะให้ยากเลยก็จะยากจนได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้ยุ่งตามที่ว่ามันนี้น่าจะเห็นว่าโลกธรรมจริงๆมีสองเท่านั้นคือสุขกับทุกข์นอกนั้นเป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ตอนครอบโลกมิตรอันหนึ่งคว่าโลกธรรมที่แปลว่าเรื่องของโลก และอธิบายว่ามันเป็นเรื่องครอบโลกแต่ถ้าพิจารณากันถึงว่าเรื่องไหนครอบได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าโลกธรรมสมข้อข้างตน้นครอบโลกไม่ค่อยมิดครอบได้เหมือนกันแต่ครอบได้บางส่วนของโลกเท่านั้นเราลองพิจารณากันแค่สัตว์โลกก็รู้อย่างเช่นการได้ยศเสื่อมยศก็ครอบได้แต่คน ส่วนสัตว์ติรชายาครอบไม่ได้คือการได้ยศหรือการเลื่อนยศปรากฏแน่ชัดว่าทําให้เกิดความดีใจเสียใจก็เฉพาะในพวกมนุษย์แต่ไม่อาจทําให้สัตว์ิรชายาดีใจหรือเสียใจได้เราจะตั้งให้มันเป็นในร้อยในพันมันก็คงไม่ตื่นเต้นดีอกดีใจตั้งแล้วจะถอดยศมันวันละกี่ครั้งกี่หนมันก็เฉยเฉย ไม่มีแล้วที่มันจะวิ่งเต้นอ้อนวอนหรือยื่นเรื่องราวร้องทุกขอความเป็นธรรมนินทากับสรรเสริญก็เหมือนกันมีแต่คนเท่านั้นที่วุ่นวายหวั่นไหวด้วยการนินทาและสรรเสริญส่วนเจ้าพวกนั้นเขาเปล่าไม่เชื่อทดลองดูที่เขาดินก็ได้พวกที่อยู่ในกรงหนะักเราลองนัดกันไปช่วยกันนั่งชมวันยังคำ่ำ มันจะได้ดีอกดีใจสักนิดก็เปล่าหรือแม่จะเรียกระดมพวกนักนินทาทั้งหลายมานั่งนินทามันวันอย่างค่ำคืนอย่างรุ่งมันจะตีโพตีภายเสียอกเสียใจก็เปล่าเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าโลกธรรมเหล่านี้ครอบโลกไม่มิดส่วนสุขกับทุกข์ครอบโลกเบ็ดเสร็จไม่มีเหลือทั้งคนทั้งสัตว์ผมอยากจะเปรียบว่า โลกธรรมข้ออื่นๆเปรียบเหมือนฝาชามส่วนข้อนี้เปรียบเหมือนฝาชีเคยเห็นไม่ใช่หรือเวลาเขาจะสำรับฝาชามแกงเขาก็เอาครอบชามแกงฝาถ้วยน้ำพริกเขาก็เอาครอบถ้วยน้ำพริกฝาโถข้าวก็เอาครอบโถข้าวฝาอันไหนก็ครอบอันนั้นเสร็จแล้วก็เอาฝาชีใหญ่ครอบทั้งหมดสำรับอีกที่หนึ่ง คือครอบทั้งชามพวกนั้นและครอบทั้งฝาชามพวกนั้นด้วยเป็นครอบเบ็ดเสร็จติดขาดเลยข้าพเจ้าจึงได้ว่าโลกธรรมสามคู่ต้นเหมือนฝาชามส่วนคู่ที่สเหมือนฝาชีขอฝากทุกๆกท่านได้โปรดพิ จ, จารณาดูตอนยอดอรักยอดเกลียด เท่าที่อธิบายมาแล้วท่านผู้ฟังเห็นจะพอตึกตรองได้ความมุ่งหมายก็อยากจะบอกว่าโลกธรรมคู่ที่สี่นี้มันใหญ่มากสําคัญมากทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นแก่เขาทั้งสองนี้ทั้งนั้นดูนี่อีกหน่อยอยากมีเงินอยากมีเมียอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีตู้เย็นอยากมีพัดลม อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากให้เขาชมที่แท้ก็อยากอย่างเดียวคืออยากสุขและคนที่ไม่อยากอดข้าวไม่อยากเดินไม่อยากป่วยไม่อยากบวดไม่อยากศึกไม่อยากแต่งงานไม่อยากหย่าร้างไม่อยากเสื่อมลากไม่อยากเสื่อมยศไม่อยากถูกนินทา จนกระทั่งไม่อยากตายที่แท้ก็ไม่อยากอย่างเดียวคือไม่อยากทุกข์ฉะนั้นสุขจึงเป็นยอดสุขของความรักความปรารถนาและทุกข์ก็เป็นยอดของความเกลียดความกลัวสำหรับมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนามในการให้อาธิบายเรื่องสุขทุกข์ต่อไปผมจะไม่กำเนงว่าเป็นการอธิบายโลกธรรม แต่จะถือว่าเป็นการพัฒนาเรื่องความสุขความทุกข์ของมนุษย์ในทุกๆด้านที่ต้องการจะเสนอท่านผู้ฟังโดยมุ่งเข้าไปคลี่คลายความทุกข์ตามวัตถุประสงค์ของปาตกาถาเรื่องนี้ตอนสุขทุกข์สลับกันทีนี้ว่าถึงเรื่องจังหวะที่เราได้รับความสุขหรือความทุกข์ โปรดประลึกถึงตอนต้นๆของพรกถาเรื่องนี้ที่ว่าถึงพื้นเพลงแห่งชีวิตว่าคนเราเกิดในกองทุกข์มีความทุกข์เป็นพื้นการที่เราได้รับความสุขบ้างในบางโอกาสก็เพราะเราสามารถทาลายความทุกข์ลงได้บ้างเป็นครั้งคราวก็แล้วสุขกับทุกขเขามีกําหนดที่จะมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพียง สุขะซนันตรังดุกขังดุขะซานันตระังสุขังแปลว่าทุกเกิดในลำดับแห่งสุขสุขเกิดในลำดับแห่งทุกขถือเอาใจความว่าสุขทุกขเกิดดับสลับ ก, กันจากพระพุทธวจนะนี้ยืนยันแน่นอนว่าสุขกับทุกขเกิดขึ้นสลับ ก, กันจะมีแต่สุขล้วนๆก็ไม่ได้ จะมีแต่ทุกข์ล้วนๆก็ไม่ได้ต้องได้ทั้งสองอย่างและได้สลับกันด้วยพระพุทธวจนะสั้นๆที่ยกมานี้ได้แฝงปรัชญาแห่งชีวิตไว้ให้เราอย่างหนึ่งซึ่งมีผลในทางคลี่คลายความทุกข์ได้ดีมากคือท่านยืนยันให้เรารู้ว่าความสุขกับความทุกข์ต้องมาแน่ถ้าสุขมาก็ให้พึงรู้ว่าทุกข์ก็ตามหลังสุขมาด้วย เหมือนกับเมื่อเราเห็นกลางวันมาก็ให้รู้ว่ากลางคืนก็ตามหลังกลางวันมาด้วยและเมื่อเห็นกลางคืนมาก็ให้พึงรู้ว่ากลางวันก็ตามหลังกลางคืนมาด้วยเหมือนกันความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เกิดความมั่นใจเป็นผลดีแก่การครองชีวิตมากตอนคำว่าทุกมีสองลักษณะ คำว่าทุกขะหรือทุกที่มีมาในคัมภีร์ตามพระพุทธศาสนาโปรดเข้าใจว่ามีความหมายเป็นสองลักษณะด้วยกันความเข้าใจในเรื่องนี้สำคัญมากทำให้ไม่ยุ่งใจในการศึกษาธรรมะที่ว่ามีสองลักษณะนั้นคือก็ไก่หมายถึงทุกในไตรลักษณ์และขอไข่หมายถึงทุกขเวทนา ทุกสองลักษณะนี้ทาไมทำความเข้าใจความหมายให้ดีจะทำให้งงและเข้าใจผิดได้ง่ายในที่นี้จะอธิบายไว้ย่อๆก่อนก็ไก่ทุกในไต ร, ล, ตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างมีอยู่ในคนในสัตว์ในต้นไม้ในนกในดอกกุหลาบในโต๊ะเก้าอี้และในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยู่ในโลกคืออณิจังทุกขังอนัตตาบางทีเราพูดเป็นไทยๆว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าทุกข์ในไตรลักษณ์นี้คือความที่สิ่งนั้นๆมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คําว่าทุกขะในไตรลักษณ์นี้ถ้าจะแปลให้ได้ความทางปฏิบัติกันแล้วต้องแปลว่า ทนอยู่ไม่ได้คือมันต้องเลื่อนไปสู่สภาพอื่นจะทำอย่างไรอย่างไรไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่ได้เช่นตัวเรานี่แหละเกิดมาแล้วจะกดนิ่งไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพสิบห้ายกหยกิหกหย่อนหย่อนตลอดการไม่ให้แก่ทำไม่ได้ที่มันเอาไว้ไม่อยู่นี่แหละพระใช้ศัพด์ว่า นี่ทุกในไตรลักษณ์ขอไข่ทุกขเวทนาคำว่าทุกใช้ในความหมายอย่างหนึ่งเรียกว่าทุกขเวทนาทุกประเภทนี้หมายถึงความลำบากคือความไม่สบายตรงข้ามกับความสุขสบายความทุกชนิดนี้ปรากฏตัวเช่นในเวลาป่วยไข้เวลาหิว เวลาทำงานหนักรกระตามากเวลาไม่มีสตางค์ใช้เวลาทะเลาะกับเมียและเวลากระทบอารมณ์อื่นๆทานองเดียวกันนี้ทางบาลีที่เป็นพระพุทธวจนะความทุกข์ที่ตรัสในอริยสัจสีที่ว่าทุกขังอริยสัจจังคืออริยสัจคือทุกข์หรือในบาลีว่า สุขะซานันตรังดุ ข, ขัางทุกขเกิดในลำดับสุขหรือบทว่าทุราวาซาขราทุก ข, ข่าครองเรือนไม่ดีทุกข์หรือข้อว่าตลิตยังดุ ข, ขัางโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกเหล่านี้เป็นทุกข์ฝ่ายเวทนาทั้งนั้น ความทุกข์ในปาตกถาเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์นี้ก็หมายถึงทุกข์ฝ่ายเวทนาเท่านั้นตอนทุกสองประเภทที่แรกต้องจัดประเภททุกเสียก่อนเวลาเจอทุกเข้าจะได้รู้ที่แก้ไขทัศนคทางพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ในบาลีทั่วไป ท่านแสดงทุกเป็นสองพวกคือพวกทุกประจํากับพวกทุกจรพวกทุกประจําพระท่านเรียกว่าสภาวะทุกส่วนพวกทุกจรเรียกว่าปกิณกะทุกแปลว่าทุกเบตเต็รก็ได้ทุกเดิมของคนเรามีกันอยู่คนละาสามทุกคือชาติชรามรณะ เรียกอย่างไทยๆว่าเกิดแก่ตายชีวิตของคนเรานี้ผมนึกวาดภาพเอาเองว่ามันเหมือนกับปลาตะเพียนซึ่งเป็นรูปอย่างนี้รูปใต้คลิปชาตแปลว่าเกิดชราแปลว่าแก่มรณะนะแปลว่าตายนี่แหละทุกเดิม ทำไมผมจึงลากเส้นเหมือนรูปปลาตะเพียนคือชีวิตของคนเรานี้เริ่มต้นจากสถานีเกิดผ่านสถานีแก่สุดท้ายก็ไปจอดนิ่งเอาสถานีตายทุกคนส่วนรูปลักษ์ของชีวิตคนเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือชาติเมื่อเริ่มแรกชีวิตของเราจริงๆก็เป็นเพียงก้อนเลือดเล็กๆคลอดออกมาก็ตัวเล็กๆ นอนเบาเล็กๆห่ผมผ้าอ้อมผืนเล็กๆกินข้าวคำเล็กๆและอะไรๆก็เล็กๆทั้งนั้นแต่แล้วก็ค่อยๆพองขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นร่างกายก็ใหญ่ขึ้นนอนเตียงใหญ่ๆอยู่บ้านใหญ่ๆเสื้อผ้าก็ใหญ่ๆนั่งรถคันใหญ่ๆอะไรๆก็ใหญ่ๆครังแข่งใหญ่กันอยู่พักหนึ่ง เสร็จแล้วก็แฟบลงแฟบลงเตียงใหญ่ๆบ้านให ญ, ใหญ่ก็เหลือใช้ลดลงลดลงจนเหลือกระดานหกแผ่นก็พอเหลือแหลรองข้างล่างแผ่นปิดข้างบนแผ่นซ้ายขวาหัวท้ายอีกข้างละแผ่นก็พออยู่ถมเถเมื่อก่อนมีที่ดินผืนใหญ่ร้อยอไร่ก็ยังเห็นเป็นน้อยแต่พอบทมันแฟบแล้ว เหลือใช้โนอนไปรวมกันอยู่ท้ายวัดไม่เห็นบ่นแคบสักนิดยิ่งตอนเสร็จจากวัดยิ่งแฟบลงเหลือนิดเดียวเข้าไปอยู่ในโถเล็กๆเท่ากำปั้นเห็นจะได้เสร็จแล้วลูกหลานก็เอาไปเที่ยววางไว้บนหิ่งเล็กๆหรือไม่ก็คว้างทิ้งไปเลยเสร็จกันทีนี่แหละท่านเหนื่ยชีวิตของคน เห็นชาวบ้านก็ชอบเอารูปปลาตะเพียนแขวนไว้เหนือเปลเด็กให้เด็กดูส่วนมากเขาสารด้วยใบตานเป็นรูปแม่ปลาตะเพียนใหญ่ๆตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกตัวเล็กๆ ล, ลดหลั่นกันแขวนเป็นพวงไว้บางท่านอธิบายว่าเขาแขวนไว้ให้เด็กคิดถึงความเพียนคือถือเอาชื่อปลาที่ออกเสียงว่าเพียนเพียนนั่นเอง ท่านอธิบายอย่างนี้ก็น่าฟังแต่ใจผมมันจะนอกเรื่องไปหรืออย่างไรก็ไม่ทราบยังติดใจที่เห็นไปว่านี่แหละภาพชีวิตชีวิตเหมือนปลาตะเพียนขึ้นจากจุดเล็กๆพองขึ้นผ่องขึ้นแล้วก็แฟบลงจนดับไปเสร็จกันทีด้วยความคิดนอกเรื่องนี่แหละจึงได้เขียนรูปปลาตะเพียนมาให้ท่านดูย้อนหลังอีกที ขณะที่เราเดินมาตามเส้นทางชีวิตตั้งแต่สถานีเกิดถึงสถานีตายนั้นยังมีพวกทุกเบ็ดเล็ดคอยรุมเล่นงานเรื่อยมาเชิญดูภาพจากความคิดของผมอีกภาพหนึ่งในหน้าต่อไปรูปอยู่ใต้คลิปในภาพนี้แสดงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเดินตามทางของชีวิตรุดไปข้างหน้า ไม่มีวันถอยหลังทุกคนเดินไปสู่มรณะพูดอย่างไทยๆก็ต้องแปลว่าเดินไปตายด้วยกันทั้งนั้นและในระหว่างทางที่ไปยังถูกความทุกข์เบตดเล็ดตอมหึ่งตลอดทางกว่าจะตายลงไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็องอมค้างเหล่ยงทุกคนภาพนี้ได้แนวคิดจากได้เห็นเด็กขายลูกโป่งกำลังเดินข้ามสะพาน ความเกิดความแก่และความตายที่เรียกว่าทุกเดิมคือเป็นทุกติดตัวติดมาแต่เกิดมาเองไม่มีใครทำให้ทุก์มันก็ทุกและมีเท่ากันทุกคนเกิดมีเกิดมาเท่ากันคือเกิดมาเป็นตัวคนอย่างนี้แหละลูกใครหลานใครก็เกิดอย่างนี้ทั้งนั้นแกก็แก่เหมือนกันคือร่างกายที่เกิดมาแล้วนั้นมันสมลง และใครๆก็แก่เท่าตัวของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครแก่เกินตัวออกไปได้เลยต่างกันที่ว่าใครอ้วนมากสูงมากก็มีเนื้อที่ที่จะแก่มากหน่อยใครตัวเล็กตัวเตีย้ยก็แก่น้อยหน่อยเพราะเนื้อที่จะแกะ่มีน้อยแต่ผลที่สุดมันก็เท่าตัวใครตัวมันนั่นเองตายก็ตายเท่ากัน ไม่มีใครตายมากตายน้อยกว่ากันทุกเดิมมีเหมือนกันทุกคนอยาน่างนี้ส่วนทุกจรมีไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยแล้วแต่ใครทำเหตุไว้มากหรือน้อยคนที่ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกตายใครไม่มีเมียความทุกข์เพราะทะเลาะกับเมียก็ไม่มีเรื่องนี้เอาไว้พูดตอนทุกจอนข้างหน้า ย้อนเข้าหาทุกประจําอีกนิดเรื่องความเกิดความแก่ความตายมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนใครๆก็เดิท น, นทางนี้กันทั้งนั้นการที่เราชอบแต่เกิดเกลียดความแก่กับความตายมันเข้าตําราชอบหัวเกล็ดหางคือชอบแต่เกิดเกิดเองก็ชอบคนอื่นเกิดก็ชอบดีใจที่ตัวได้เกิด ดีใจที่เห็นคนอื่นเกิดได้ลูกได้หลานแล้วก็ชอบใจแต่ทีนี้แก่กับตายเราไม่ชอบยุ่งละสิคราวนี้ก็เกิดแก่ตายของมันติดกันแยกจากกันไม่ได้ไม่เหมือนผลไม้แกเปลือกฝ่าทิ้งเสียกินแต่เนื้อหวานหวานก็ได้แต่เกิดแก่ตายมันเป็นงบเดียวกัน แต่เราชอบเพียงส่วนเดียวอีกสองส่วนไม่ชอบมันเลยทุกข์ที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะชอบไม่หมดนั่นเองเหมือนเราชอบคนคนหนึ่งเราชอบตรงริมฝีปากเท่านั้นเพราะเห็นเขายิ้มเกด๋ดีแต่เราเกลียดจมูกและในตาของเขาเอาละสิจะทำอย่างไรก็ทุกข์ไปเหมือนคนชอบเกิดแต่เกลียดความแก่กับความตายนั่นแหละ โปรดคิดดูเอาเองก็แล้วกัน